จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้เป็นเป็นอานิสงส์การได้ยินได้ฟังเพราะว่าพระองสัจจันทร์จะเสพปัญจเป็นพระผู้สวดผู้เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากอกับอาศัยได้ยินได้ฟังละการท่องบุญสาธยายความรู้เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ความรู้กิดจากการท่องบุญสาธยายความรู้กิดจากผ่านวันนาะนี่ความรู้มันเกิดได้สามทางมาเฉะนั้นถึงวันนี้ก็หลวงตาก็จะยกเอาชัช้นๆมาให้ฟังเพรบบาะว่าเป็นคติเนาะเ้างันสั่งใจฟังสักหน่อยณ <c oughs> มุตตะสะภะคะวะโตระอาโตตัมมาสัมมุตตะสะ น a โมตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสมมาสมุตติสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสมมาสมุตติสะทุกข้าอุทธะส a ตต p a ปังเกสันนุวะกุณจรโตติอิมัสะธรรมบาร a ยะยัจ a ะอธิ h สัธายัสมันเตหี <c oughs>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 เออมันทำแล้วแล้วมันทําง่ายเออฟังแล้วมันก็ดึงดูดได้ไม่ใช่เหมือนฟังทำเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าไปเห็นเขาตอน เ, เต้นเขาลําเขาอะไรมันดึงดูดจิตใจ ม, มันไม่ค่อยอยากจะหลับอะแต่ฟังทำนี่มันฟังไปฟังมาเพอเพอมาหลับครับเพราะว่าน่ะ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 พ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ยท่านยิ่งขาันเนี่ไม่ใช่ว่าใครชี้เกียร์ได้เพราะว่าท่านเห็นหนทางแล้วท่านไม่กลับมาวุ่นวายกับโลกอโลกวุ่นวายนี่โลกวุ่นวายก็คืออะไรนี่อสัตว์โลกเดี๋มันเบียดเบียนกันแล้วก็เอาเปรียบเอารัดกันท่านเห็นภัยแล้วท่านไม่กลับมาอีกแล้วอ ไปแล้วทุกขตัวไปดีมาดีพวกเราเนี่ยอะไรทุกขตัวทุกขั้วหนัวนี่อะไรอ่ะนางเชพิมเขาว่าทุกขตัวทุกขั้วหนัวแล้วในพาสิตธ์พึ่บอกว่าทุกขตัวทุกขตะนังแปลว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตุนฮะนี่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 นั่งก็สบายนอนก็สบายจะไปอยู่ก็หมู่ก็สบายจะไปนี่ก็ <c oughs> <c oughs> มันสบายฮะ <c oughs> สบายดีนั่นลหะทางฝั่งทางฝั่งเราเขาเวลาเขาโฆษณ า, ขอขอาเวลาเขาจะเขาจะหยุดนึกว่าสบายดี <c oughs> เขาว่าฮะนั่ได้สัน ก็สบายดีก็คือไม่มีไม่เดืดๆๆอดร้อนเลยแหละถ้ามันเดืดอดร้อนแล้วมันไม่สบายแล้วเหมือนอย่างเราถ้าเราป่วยเนี่ยเราต้องไปหาหมอกินยามันก็สบายขึ้นมาอืมปวดหัวเป็นไข้ก็เอาอยาอันนี้ก็เหมือนกานทําจิตภรรมะนี่ก็เป็นยาธรรมโอสถเราทําเราได้ไม่ใช่ว่าจา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 ถ้าไม่จเจริญภาวนาไม่มีทางแล้วก็อยู่ของเราไปตั้นแต่โยไปกินไปอะไรไปมันไม่เห็นทัทางหละมันหลงอยู่ตลอดไอ้ความหลงตัวนี้มันมัดใจจัดโลกทั้งหลายเ่ยมัดอยู่ในนี่แหละมัดอยู่ในวัตถุดีเลยวัตถุกามกิเลสกามกกา ม, มัดไว้ในนี้มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นภยัย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 เป็นอาจารย์เขาเรียกอาจารย์กับภูมิใจดีใจสอนเขาออไม่มีครอบครัวอยู่ไปเวลาแก่เท่ามาแม่ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่แต่อยากตายไปหาลุงตายอยู่นั้นโอ้อยากตายลุงตายเนยไม่อยากอยู่และกะ็มันก็เกลีงวา่าล่ะเพราะว่าแก่มานี่มันไม่มีอะไรที่จะดีเด้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 เมื่อลราแก่ามาเดีโอโหไม่มีใครดูแลเลยวะนี่ลูกเต้าก็ไม่มีไปหาหมอเขาช่วยยุแต่ว่ามันช่วยแค่แค่เลยกินยาแค่นั้นแหละมันก็ไม่ช่วยหายใจให้เราได้หรอกเราคนเดียวนี่แหละหายใจอันนี้เพรานว่ า, าเราไม่ได้เกี่ยมพ้อมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มไม่ได้เด้อของพวกนี้มันลืมได้อะไรได้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 แล้วพวกเรานี่โอ้ยทำแค่เนี่ยเหมือนที่ก่อหยอกมาเล่นแหละเออมันเข้าแต่ละเที่ยวแก่แลเวลเาแต่ละงวดแต่ละขาวนี่โอ้ยเออมันเอาจนลืมหน้าลืมหลังเลยแบบเทนานี่นั่นแหละท่นเลยว่าให้ฝึกไว้แข็งแข็งให้ฝึกไว้เวลานั่งภาวนานก็ฝึกเอาทับเทนาอยู่จนว่ามัน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 เวทนามันรู้ขึ้นมาก็ทับมันไปทับอพอเราทํานานเข้ามันก็ชํานาญความชำนาญก็เป็ดมาแล้วก็ทนเอานี่นี่แหละเป็นว่าความอดทนเป็นตะปะองคุบผินเพียนความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งความอดทนคือความอดกัน้นเป็นธรรมเผากิเลสอย่างยิ่ง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 ท่านยิงย่งทํายิง่งขยันไปเห็นลุงปู่พรมเนี่เดินเป็นตุ่กลมหรูตั้งแต่สองทุ่มเลยไปถึงหกทุ่มบนโอ้โอมไม่ธรรมดาฮะแล้วพวกเรา เ, ราเนี่เดินไปยกยกยกเอาไปมาก็หยุดแล้วมันจะไปเห็นเวทนาแดงไหนฮะเมื่อพอเวทนาเขาก็หยุดสร้างสิม่นไม่ทันมัน ไ, ไม่รู้จัก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 ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแน่ผมก็มีขนก็มีเล็บก็มีฟันก็มีอะไรก็มีผมคนเล็บฟันหนังอมีกันทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าทํมมาไมเราถึงว่ามันหลงเราไม่ได้ยกจิตขึ้นพิจารณายกจิตขึ้นพิจารณากายพิจานะนนะรณาเนวะนะนะทนาพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยเป็นเครื่องคงจรของจิต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 ตังเกสนโนวัคุลสโรจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างติดลมถอนตัวขึ้นจากนั้นอ่เพราะว่าเราตกอยู่ในเองแ่งกันดาเ น, นี่ค่าุทุกสลาทุกมรณะทุกเนี่เราจะไปเชิญแวนข้างหน้าเนี่ยเวลามันเข้ามาเราจะสู้ได้ไหมเราจะทนได้ไหมนี่ ช้างที่เขาตกหลุมตกโคนตกดินเขาก็อาศัยงวงอสัยงาอาศัยนี่เขากระตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมไอ้คนเราเนี่ยจะอาศัยอะไรที่จะกล้าหนีจกาก <c oughs> ชาติทุก ส, สระทุกมรรทุกนี่ที่จะมาเชิญเราเราอาศัยสานตินปวนา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 คติเตือนใจขอให้ท่านทุกท่านทุกคนดุจรสบแต่ความสุขความเจริญหอกงามในพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเถิด